ทุกท่านการที่จเจริญวิปั ส, สนากรรมฐานแบบที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นปัญหาบางอย่างจึงจะเล่าให้ฟังหรือแนะนำวิธีที่จะไปแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าหากเราปฏิบัติเบื้องแรกเรามักจะจ้องบางคนต้องการความรู้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอันนี้เป็นการเข้าใจยังไม่ตรงครับเมื่อเราจ้องอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีมันมีความตึงเครียดขึ้น บางคนก็มึนหัวมึนศีรษะแน่นหน้าอกแสดงว่าการกระทํานั้นไม่ตรงแล้วครับเราต้องทำให้มันสบายสบายวิธีแก้มันก็ต้องทำให้มันสบายมองไปไกล แล้วทำความรู้สึกเบาเบาหนะ่อยๆอย่าไปเพ่งมากเราเดินให้มันสบายทำจังหวะก็ทำให้มันสบายทำเป็นจังหวะเพียงให้รู้สึกตัวสายตาต้องมองไกลๆครับแล้วความตึงเครียดแน่นหน้าอกหรือวินหัวมันจะค่อยคลายไป หายไปครับดังนั้นจึงแนะนำให้บันนี้เมื่อเราหายไปแล้ว เ, เราก็ทำสบายขึ้นมาเมื่อคมสบายเกิดขึ้นอย่างไงต้องทำไปเดินจยกมก็ไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องทำจังหวะ ก, ก็ไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องทำให้เพียงขมรู้สึกตัวเบาๆครับ วันนี้ความรู้เมื่อเราทำไปมากขึ้นมากขึ้นมันจะรู้ขึ้นมารู้จักเรื่องรูปนามครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเมื่อรู้จักรูปนามดีแล้วคือลูกรูกรำนามทำรูปโลกนามโลกรู้ทุกขงังอนิจังอนัตตารู้สมมุติรู้ศาสนา รู้พุทธศาสนารู้บาปรู้บุญรู้เห็นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งสัมผัสแนบแนงกับสิ่งเหล่านี้เลยครับอันนี้เป็นการรู้เบื้องต้นรู้มาอย่างนี้แล้วมันจะเกิดความดีใจขึ้นมาบนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนูที่ตรงนี้ครับจำไว้ให้มันดี ถ้าหากว่าไม่มีครูมีอาจารย์แนะนำเราเป็นเราก็ไม่รู้แต่ในขณะที่เราเป็นนั่นเราไม่รู้ผมเป็นผมก็ไม่รู้จนเท่าผมเป็นมากแล้วก็เลยไปอาบน้ำตกเย็นมาที่ผมจึงมาลูผมคิดเมื่อลูผมคิดแล้วก็มาเดินให้มันสบายครับ แต่ว่าต้องปล่อยไปอย่าไปกักมันไว้เรื่องผมรู้นะครับให้มันรู้กันนีมันยิ่งรู้มันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้มากขึ้นมันคิดมากเราก็รู้มากบางคนต้องการความสงบไม่อยากให้มันคิดอันนี้วิธีนี้ไม่ต้องห้ามผมคิดให้มันคิดมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้ มันคิดมากเท่าไหร่ก็ดีแล้วเราจะรู้มากขึ้นบางคนลำคานว่าจิตใจฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิเนี่ยเข้าใจไปอย่างนั้นดีแล้วจิตใจฟุ้งซ่านถ้าหากว่ามันไม่ฟุ้งซ่านเราจะไม่รู้อันความฟุ้งซ่านนั่นนะใให้เรารู้ว่าเรามีสมาธิแล้วเราจึงรู้ว่าจิตใจฟุ้งซ่านลำคานมาก ให้มันคิดมันยิ่งคิดเดรายิ่งรู้แต่ทําคมรู้สึกให้มากอย่าหยุดการทําคมรู้สึกแต่อยากแห่งเมื่อคมคิดเป็นมากขึ้นมากขึ้นขมรู้ก็มากขึ้นมากขึ้นเทียบเท่าทันกันเข้าขมคิดตั้งจะลดน้อยไปแบบ น, นี้ตัวคมรู้จะมากขึ้นมากขึ้น นี่เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะรู้สมุฐานการคิดนี่จิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงที่ตรงนี้อีกพักหนึ่งครับจําให้มันดีตอนนี้เมื่อความคิดเราเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงก็ได้หรือจะว่าเปลี่ยนแปลงก็ได้มันจะรู้ปรามัตดครับอันที่รู้เรื่องรูปนามนะั้นยังไม่เป็นปรมัตดมันเป็นเพียงรู้สมมุติ แล้วก็ดีใจไม่ใช่ใจดีอันนั้นดีใจว่าเราได้รู้ธรรมมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะอันนั้นเป็นลักษณะดีใจแต่ไม่ใช่ใจดีตอนนั้นนั่นเป็นวิปัสสนาตอนนี้พอดีมันคิดมากเราก็ต้องรู้มากรู้เท่าทันกับผมคิดมันคิดปุ๊บหันปับ๊บคิดปุ๊บหันปับ๊บ จิตใจของเรามืดตื้ออยู่แต่ก่อนมันไม่รู้จักทางไปบัด น, นี้พอดีทันอันนี้แล้วมันจะสว่างขึ้นภายในจิตใจแต่ไม่ใช่สว่างที่ตาเห็นนะครับจิตใจมันจะสว่างขึ้นเบา อ, อกเบาใจเรียกว่าตาปัญญาอันนี้ลักษณะปัญญาญาณของอิปัสนาเกิดขึ้นรู้ เห็นเข้าใจวัตถุปรมัิอาการลัคโทสะโมหโลภะเหล่านี้แหละอย่างแจ่มแจ้งก็รู้เห็นเข้าใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นการจบภาคหนึ่งบางคนก็รู้ได้สองครั้ง บางคนก็รู้ครั้งเดียวอันนี้ครับรู้ครั้งเดียวนั่นคือว่ารู้แล้วไม่หลงไม่ลืมขันว่าสองครั้งต้องจิตใจเปลี่ยนสองครั้งเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาทันทีบางคนก็เป็นเพียงมรรคผลยังไม่เกิดบางคนก็ได้ทั้งมรรคทั้งผลเมื่อรู้อันนี้แล้วจิตใจของคนนั้นน้ําหนักสมมุติเอาแล้วครับที่ผมเคยสอบเคยถามน้ําหนัก ร้อยกิโลเด้วเป็นยังไงโดยใจิตใจเบาขึ้นกี่กิโลบางคนก็ชอบพูดว่าสามสิบกิโลสี่สิบกิโลห้าสิบกิโลหกสิบกิโลอยู่ในเกณฑ์นี้เป็นอย่างนั้นก็แสดงตัวว่าเป็นพระได้ไหมเป็นได้ถามเป็นเทวดาได้ไหมเป็นได้ผมเคยถามเเด็กเด็กอายุเก้าปี จะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามรู้แล้วก็แสดงท่าทีออกมาเหมือนกันในปีอย่างนั้นวันนี้มารู้ตอนนี้แมันจะเป็นปีตีครับใจดีเย็นอกเย็นใจอันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องให้เป็นปีติไม่ต้องให้เป็นเย็นอกเย็นใจเป็ีอย่างนั้นเราต้องทำให้มากอันนี้เป็นกินตญาณมันรู้ นิ่มๆรู้นั้นรู้นี้รู้แล้วสบายใจอันนี้เรียกว่ารู้เบื้องต้นเป็นปฐมฌมานจริงๆฌานที่วเข้าไปรู้อันนี้เป็นลักษณะของปัญญายานของวิปัสนาครับรู้อย่างที่ผมพูดมานี้เป็นอารมณ์เราไม่ต้องคล้องแวะอยู่กับปีติปีติ ตามตำราท่านว่ามันดีปีติขวมอิ่มใจปีติขวมยินดีปีติขวมพอใจใท่านว่าอย่างนั้นแต่อันนี้ปีติต้องเป็นอุปสรรคเป็นการขัดขวางไม่ให้เราเดินทางต่อไปถึงที่สุดได้เป็นอย่างนที่ว่าไม่ต้องคล้องแวะกับสิ่งเหล่านั้นเราต้องพยายามทุ่มเทควมเพียนมากขึ้น แต่ทำอย่างเดิมนั่นเองครับอันนี้มันจะแน่นหน้าอกหรือเวียนหัวมีความตึงเครียดเข้ามาเป็นบางอย่างนะครับอันนี้เราก็ต้องมาทําให้มันสบายสบายมองไกลๆครับวิธีแก้ก็ต้องมองไกลๆทํำความรู้สึกเบาๆไม่ใช่ว่ามันเป็นแล้วจะไปหยุดไปเซามันไม่ใช่อย่างนั้นครับ ต้องเล้งวุมเพียนพุ่มเทข้าวขุมเพียนเนี่ยไม่ต้องท่อถอยไม่ต้องอ่อนแอทำแต่ว่าให้นอนครับแต่ตอนเนี้ต้องให้นอนแต่บางคนไม่อยากนอนอยากเล้งวุมเพียนไม่ไม่ดีอย่างนะครับถึงเวลานอนต้องนอนถ้าหากเป็นกลางวันไม่นอนพยายามแก้ปัญหาถ้ามันง่วงนอนมา ต้องไปหาวิธีทําการทํางานทําอะไรก็ได้ถอนยา ก, ก็ได้ล้างหน้าล้างตาก็ได้ไปอาบน้ําก็ได้ซักเสื้อซักผ้าก็ได้ให้เราหาวิธีแก้ว่าอย่างนั้นแหละครับเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคทัวัินณนะมิทธะวมอมหงูง่วงเหงาเ้านอนหดหูอย่างนั้นอย่างนี้ทันไว้เลย ก็ตามต้องหาวิธีแก้ไม่ต้องนอนนี้ครับถ้ามันเกินควรมันอยากนอนจริงๆเอานอนจากนิดเดียวเท่านั้นกนได้ครับแต่กลางคืนต้องนอนเต็มที่ในเกณฑ์สองทุม่มสามทุ่มก็ต้องนอนเลยครับนอนมากในนอนได้เต็มที่เราตื่นขึ้นมาบก็ต้องมาทำาควมเพียงทำอย่างนั้นเลยครับ มันจะรู้เห็นเข้าใจขึ้นมาอีกเป็นอารมณ์คือเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแน บ, แ น, บแน่นอยู่กิเลสตัณหาอุปทานกรรมเหล่านี้แหละครับมันเป็นมรรคเป็นผลเป็นอารมณ์ขึ้นไปรู้ตอนนี้เหมือนกันยังเป็นปีติมันยังเป็นจินตยานอยู่นั่นแหละคาว่าปีติกับจินตยา น, น, นเป็นอันเดียวกันครับ แต่มันรู้จิตใจนิ่มนิ่มเรว่าใจดีอันนี้ลักษณะใจดีแต่ไม่ไม่เป็นลักษณะดีใจอันนี้ให้เรารู้จักอันนี้แล้วความหนักคุกหนักใจนันจะเบาขึ้นมามีความสว่างภายนาใน จ, จิตใจเป็นอย่างน้นแต่ไม่สสว่างคือเราใต้เทียนอย่างนี้คันมันเบาใจเรือว่าเห็นเป็นทางไปครับ คล้ายๆ ค, คือว่าเป็นทางเป็นแนวทางที่จะเดินต่อไปได้นี่นะครับเราต้องทําจังหวะเดินจมกลมทำซาซ้าก็ได้ทําไวก็ได้ทําให้มันถูกจริตครับตอนนี้เป็นการกระทําเป็นการเจริญเป็นการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาการแก้อุปสรรคเหล่านี้ต้อง ทำให้มันสบายเมื่อมีความตึงเครียดขึ้นมาก็ทำให้มันสบายสบายไม่ต้องให้มันตึงเครียดไปอย่างนั้นวันนี้เมื่อ ม, มันมีความตึงเครียดเข้ามาแน่นหน้าอกวินหัวหรือมันจ่าเจียนปวดนี่ว่ามันเจ็บอะไรปวดอะไรก็ตามมันมันเป็นกิริยา มันแสดงท่าทีครับมันอยากให้เราท้อถอยเราต้องไม่ท้อถอยเราต้องํำบังคับให้ทำนี่ต้องใช้เวลา น, านานครับบางคนนะบางคนก็ต้องได้เหลวแต่เมื่อสมัยผมปฏิบัติผมรู้ตอนแรงครับรู้ได้สองขั้นทีเดียวครับผม เป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลขึ้นไปเป็นอย่างนั้นคือไม่นานแต่เราไม่ต้องพูดถึงว่านานและไม่นานเราต้องทำเรื่อยๆไปเลยแต่มันต้องเป็นอารมณ์ถ้าหากว่ามันสงบนั้นเราติดควมสงบแล้วเราติดควมสงบแล้วอันนี้มันจะมีอารมณ์ไปที่ที่ผมพูดเนี่ยและพวกเราต่อไป จะเป็นครูเป็นอาจารย์คนต้องให้มันรู้ให้มันเข้าใจเรื่องอารมณ์ที่รู้มาแค่นี้เราก็ต้องทบทวนอารมณ์ของรูปนามขึ้นมาอีกให้มันเข้าใจไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมคือไม่ให้มันหลงไม่ให้มันลืมอะรอย่างนั้นให้มันเข้าใจ อย่างที่พิกมือคลื่นข้อมือลงยกมือไปเอามือมาทําจังหวะให้เป็นจังหวะเดินจมกรมก็ให้มันเป็นเดินจมกรมริงๆินแล้วการรู้ลู่ลู่น้ำนี่เลู่น้ํารูปทําน้ำทําให้รู้จากรูปบันทำการทํางานอน่าเป็นรูปทําน้าทํารูปโลกน้ําโลกลู่โลกน้ําโลกมีสองอย่างครับ โรคเจ็บหัวปวดท้องอันนี้เมื่อลูกเป็นด้วยใจก็ไม่สบายอันนี้เป็นลูกโรคนามโรคลูกโรคนามโรคอีกอย่างหนึ่งครับคือสบายแต่มันดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจมีรักมีเกียรตอันนี้จิตวิญญาณเป็นโลกนะครับให้รู้จักว่าโลกมีสองอย่างลูกโรคนามโรคอันนี้ เมื่อรู้อันนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็เข้าใจทุกขงังอันนี้จังอนัตตาตามอารมณ์ที่ผมรู้มาครับเป็นอย่างนั้นทุกขังคือการเคลื่อนการไหวตัวจังหวะนั่นแหละครับจึงหวะให้ทำจังหวะจะรู้ทุกได้ทุกขังหมายถึงมันติดอยู่กับรูปอันนี้จังหมายถึงไม่เที่ยงอ น, นัตตาบังคับบรรชาไม่ได้ รูปอันนี้ไม่ได้ครับมันเป็นไปตามธรรมชาติแต่เรื่องจิตใจนั้นแก้ไขได้ครับเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้อันนี้แล้วก็ต้องรู้สมมุติบนี้สมมุติอะไรรู้ให้ครบให้จบให้ท้วนครับสมมุติพระพุทธรูปก็สมมุติขึ้นมาไม่อยู่ป่าเอาเมาปั่นให้เป็นรูปพระนี่ก็สมมุติบัณี้ถ้าหากเอา อิดเอาปูนก่อขึ้นมาดิดอิดเห็นดินปูนวัตถุกับเป็นดินเป็นอิดธรรมดาเอามาก่อขึ้นมาทําเป็นรูปเป็นทรงขึ้นมาอนกะสมมุติให้เป็นพระพุทธรูปขึ้นมาได้จะเอาโลหะทองแดงหรือทองเหลืองเอาแก้วเอาอะไรมาหลอ่อมาปั้นอนัตก็เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองแต่ให้เรารู้จักจริงๆ จ, จนกระทั่งบวชแล้วก็ศึก ศึกแล้วก็บวชอันนี้ก็เป็นสมมุติเรียกว่าสมมุติบัญญัติปรามัตดบัญญัติอัฏฐะบัญญัติอริยะบัญญัติให้รู้จักว่าสมมุติจริงๆหรสมมุติก็มีปรามัตดด้วยตัวบทกฎหมายเป็นสมมุติให้ว่ารู้ให้ครบให้จบให้ท่วนเรื่องสมมุตรจริจริงๆแต่เรื่องปรามาัดถึงเรื่องจิตใจกําลังเห็นกําลังเป็นกําลังมีอยู่นั่นเรียกว่า เป็นปรมัตครับรู้อันนี้ครบจบท่วนผีเทวดาให้รู้ผีก็คือคนทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วนี่เองเทวดาก็คือคนพูดดีทดําดีคิดดีนั่นเองนี่ว่านิโอตปะปนี่เองมีคมละอายแก่ใจนี่เรียเป็นเทวดาครับเมื่อรู้อันนี้แล้วก็รู้าศาสนา ศาสนาแปลว่าคาสั่งสอนของท่านโูลูใครรู้เรื่องอะไรก็นาเรื่องนั้นมาสอนเรียกว่าศาสนาศาสนาคือจิตตัวคนทุกคนไม่ยกเว้นคำว่าศาสนาพุทธศาสนาเลยพุทธะจึงแปล ว, วล่าู้รู้ทำเห็นธรรมเข้าใจธรรมคือตัวสติตัวปัญญานั่นแหละเป็นพุทธะ อันพูดนี่เป็นเรื่องผองปัญญานะครับปัญญาจบเป็นการรู้แจ้งรู้จริงคนจะล่วงผู้บ ไ, ไดเพาะปัญญาอันนี้เนีเ่ยปัญญาญาณของวิปัสนาญาณไปว่าเข้าไปรู้จบเป็นปัญญาญาณเข้าไปรู้คือรู้ที่ตัวเรานี่เองครับเมื่อรู้พุทธศาสนาแล้วก็รู้บาลรู้บุญบาลก็คือมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจนั่นเองครับ ไม่รู้จักทิฏฐางอะไรทั้งหมดเลยครับเนี่ยบาปพูดอีกอย่างก็คือเรางโง่นั่นเองก็เป็นคนบาปเหมือนกันบุญบ่เนี่ยบุญก็คือรู้เห็นเข้าใจรู้เห็นเข้าใจเลยดีใจอันนี้ครับอันนี้เป็นพักต้นอันนี้ใ น, นตอนนี้มันจะเกิดดิพสนันโขึ้นที่ตรงนี้ครับแต่คนที่เป็นไม่รู้กาลังเป็นจะรู้ทําไมไม่รู้ จึงอาศัยครูบาอาจารย์คนที่มีความรู้จึงจะแก้ปัญหารเรื่องนี้ได้ครับวันนี้ตอนแก้ถ้าหากไม่มีใครแนะนาเราต้องทำจังหวะให้มันสบายเมื่อมีควรมตึงเครียดเราก็ต้องทำให้มันสบายอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีมันก็ค่อยคลายออกคลายออก ให้มันมีความรู้สึกไม่น้อยเบาๆนะครับวันนี้มันคิดมาเราไม่อยากให้มันคิดมันต้องคิดอนี้ให้มันคิดมันยิงคิดกอดยิงรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นมากขึ้นมันจะทันกรมคิดอ้าวสมมติให้ฟังมันคิดลอยเรื่องเราจะรู้เรื่องเดียวทีแรกวันนี้มันคิดลอยเรื่องเราจะรู้ถึงสิท มันก็ยังไม่รู้มัน90บัด น, นี้มันคิดมารอยเรื่องเราจะรู้มันถึง20มันก็เหลื อ, อยุ80สมมติเอาเป็น10เป็น10เข้าไปนะอันนี้ครับบัด น, นี้มันรู้ถึง80แล้วมันยังไม่รู้20บัด น, นี้ตอนนี้ต้องทำความเพียรให้มากเนละบัด น, นี้มันรู้ถึง90บัด น, นี้ ยังไม่รู้อย่างสิบเดียวมันรู้ถึงเก้าสิบห้าเรื่องมันคิดขึ้นมาปุ๊บทันปั๊บได้เก้าสิบห้าเรื่องยังไม่รู้ห้าเรื่องอันยังไม่รู้ทันควมคิดนะครับสมมุติเนี่ยวันนี้เราต้องพยายามทุ่มเทข่มเพียงแบบ น, นี้ทุ่มเทจริงๆทําโดยไม่ท้อถอยไม่ย่อหย่อนแต่ห้ามมาให้นอนมันเนี่ย กลางวันไม่ต้องนอนเด็ดขาดได้ทัดเด่นยิ่งดีครับกลางคืนต้องนอนจิตใจก็จะเปลี่ยนที่ตรงนี้เนี่ยครับน้ําหนักร้อยกิโลเนี่ยผมสลักเบาขึ้นทันทีแปดสิบกิโลเลยครับรู้จักว่าตัวเองเป็นพระขึ้นมาทันทีมันจะรู้อย่างนั้นไม่มีอารมณ์อารมณ์มันก็ต้องเห็นวัตถุปาลามาตรอาการเี่ยยมีความเปลี่ยนแปลง วัตถุ ก, กหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในชีวิตจิตใจของเราพระลามมรก็กําลังเห็นกําลังเป็นกําลังมีนั่นเองครับอาการหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างหนักเป็นเบามืดเป็นสว่า ง, งโง่เกิดสลาดขึ้นมานี่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเรียกว่าอาการรู้อันนี้แล้วก็เห็น รู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่นดีวาญาณของปัญญารูอันนี้ครับบางคนจะเห็นรู้โทสะก่อนบางคนก็จะรู้เห็นโมหก่อนบางคนก็จะรู้เห็นโลภะก่อนครับในเปีน่นรู้แล้วไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมเราต้องดูต้องรู้ต้องเห็นอันนี้วันนี้รู้ครบจบท่้วนแล้วอันนี้แล้กรู้เห็น เข้าใจสัมผัสแนบแน่เดียววญาณของปัญญาปัญญาเข้าไปรู้ได้ครับอันนี้ไม่ใช่เป็นปัญญาข่มทรงจำนะครับเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกจึงเป็นพระได้เป็นปรมาตาอันนี้ครับอันนี้เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาทันทีอันนี้ แล้วเกิดปีติปีติจึงเป็นอุปสรรคในปีนั้นที่ผมทบทวนมานี่เป็นอารมณ์ให้รู้จริงๆบบ น, นี้มันคิดเป็นหลักษณะนะใจดี น, นี่คะไม่ใช่ดีใจใจมันดีแล้วมันก็จะมีความตึงเครียดบ้างนีว่ากินตายานอันปีตินั่นเรียกว่ากินตายานครับ มันเป็นปีติมันดีใจจิตใจสบายเยือกเยน็นไม่ต้องติดต้องทำข่มเพียนขึ้นให้มากเดินไปเรียกว่าไม่ใช่เดินด้วยเท้าให้ปัญญามันเดินไปให้ปัญญาเดินเข้าไปรู้อารมณ์โดยไม่ต้องศึกษาเล่าเรียงจากครูจากอาจารย์ไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนจากตำรับตำราที่ไหนอันนี้ผม เนผมจึงสามารถเอาความสามารถของตัวเองในเองไปพูดไปสอนไปเนะนําพักพวกมันเป็นปีติตอนปีตินี่นานตนนี้ครับบางคนอาจจะนานเป็นเก้าวันสิบวันยี่สิบวันเป็นเดือนก็มีเป็นปีก็มีนะถ้าหากไม่มีครูมีอาจารย์นะครับ ถ้ามีครูมีอาจารย์คอยแนะนาคอยตักเตือนว่ากล่าวอยู่ก็ไม่นานถ้าหากเราทำาคมเพียนไม่เกินสามปีนะครับอันนี้รับรองได้ครับอย่างนานนะไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดเนี่ยนับตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปเรียกว่าเก้าสิบวัน นี่จะรู้เห็นเข้าใจเป็นได้ทำให้ติดต่อกันแต่โดยมากคนมันไม่ทำอย่างนั้นเนอครับมันทำได้น้อยทำแล้วก็อ่อแออ้อแออย่างนั้นอย่างนี้อยู่หั่นแหละครับมันไม่ค่อยจริงมันจึงรู้จริงได้น้อยครับถ้าเป็นคนจริงไม่หลวมตัวคือไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเั่าไหละเรียกว่าไม่หลวมตัวครับ เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะรู้ไปเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นพักเป็นพักเรียกว่าเป็นปฐมฌานเป็นปัญญาเข้าไปรู้นะเป็นทุติยศาสานเป็นตัติยศาสานเป็นจตุทศาสานเป็นปัญจมาศานขึ้นไปเป็นอย่างนั้นตอนนี้เรียกว่าปีติเราก็ต้องทำกรมเพียรครับให้มันรู้เบาๆแต่อย่าห้ามให้มันคิด อันนี้เป็นการแก้ปัญหาแก้วิปัสนูแก้จินตยานอันนี้แก้ไปเหมือนกันบั น, นี้รู้อันนี้แล้วก็จะรู้กิเลสตัณหาอุปทานกรรมอะนนี้เป็นอารมณ์ขึ้นไปรู้อันนี้แล้วก็จะมาเป็นพักเป็นพักไปครับก็จะรู้สินสิ น, นก็จะว่ากัน อธิศินสิกขาอธิยิตกิตตาสิกขาอธิปัญญาสิกขาว่าจะนั้นก็นได้แต่เมื่อผมรู้นั้นคือสินขันสมาธิขันปัญญาขันขันแปลว่าหมวดหมู่กลุ่มกองก็ว่าได้ขันคือขันห้านี่เองจะว่าหมวดตามหมวดหู หมดจะโกหมดลิ้นหมดกายหมดใจจวะว่าอย่างไรก็ได้เดี๋ยวสินขั้นสิลอันนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะรู้เข้าใจเรื่องสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมันจะรู้เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้ครับอันนี้เป็นอารมณ์ถ้ามันดีใจเกิดปีติอะไรต่างๆนั้นมันเป็นอุปสรรค มันมีกลมตึงเครียดวินหัวปวดหัวหรือว่าวินศีรษะปวดศีรษะเนี่ยครับมันมีกลมตึงเครียดอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอุปสรรคเราต้องทำทัศนาอันนี้ครับต้องทาไปไม่ท้อถอยถ้าหากว่ามันมีอุปสรรคันไรเกิดขึ้นก็ต้องทําให้มันสบายสบายไปไม่เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ต้องท้อถอย อันนี้เป็นการแก้ปัญหาคืออย่าไปตึงที่จะไปเพ่งเมื่อรู้อันนี้แล้วก็จะรู้เกิดปัญญาญาณนี่ว่าปัญญาเข้าไปรู้เรว่ายานเข้าไปรู้จริงว่ารู้เป็นอารมณ์ขึ้นไปเมื่อรู้สินครบจบท่วนแล้วรู้สมถกรรมฐานสมถกรรมฐานมันสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้ อันนั้นเป็นสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงเข้าใจจริงด้วยญาณของปัญญาเรียกว่าปัญญาญานญาณจึงว่าแปลว่าเข้าไปรู้เป็นพหาฮานะสักนิดหนึ่งขนส่งรนรยกว่าขนส่งนี่ว่าเป็นปัญญายาณเข้าไปรู้รู้ก็ต้องรู้แบบ น, นี้มันจะ เข้าใจการทำบาปโยทำชั่วด้วยกายกายทำชั่วหากนรกมีจะไปตกนรกขุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนมันจะเข้าใจไปอย่างนี้ครับบันนี้คาพูดพูดชั่วตายไปแล้วจะไปตกนรกขุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนเนี่ยมันจะเข้าใจอย่างนั้นบันนี้ใจคิดชั่ว ตาย ไ, ไปจะไปตกนรกคุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนมันจะเข้าใจอย่างนี้บันี้กายก็ทําชั่วคําพูดก็พูดชั่วใจก็คิดชั่วสามอันนี้มาบวกเขา้ากันตายแล้วจะไปตกนรกคุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนมันจะรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นญาณของปัญญาเข้าไปรู้อย่างนี้อย่างเขีนแจ้งจริงๆครับอันนี้เดียวยานของวิปัสสนา เป็นปัญญาญาณเข้าไปรู้เดี๋ยวคนจะล่วงผู้ปเพาะปัญญาเนี่ยจีว่าให้มันคิดมันยิ่งคิดแล้วก็ยิ่งรู้มันยิ่งคิดมากเราก็รู้มากเข้าทันเข้าทันเข้านี่เป็นอย่างนี้บัด น, นี่ในทางตรงกันครับ